ศึกษาเรื่องของการจัดการกับตัวเองเราจัดการในการยืนแล้วก็จัดการเองจัดการในการนั่งจัดการจัดการในการเดินการกินแต่ว่าคําจัดการเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเจตนาหรือตั้งใจมากขึ้นไปนะแต่ว่าคือปล่อยให้การกระทำเนี่ยคือมันมันสมมุติไปตามตามธรรมชาติธรรมดาที่ปกตินี่แหละโดยที่ไม่ทําอะไรผิดปกติ แต่อีกสติเนี่ยมันตั้งตั้งไปในตัวสิทธิ์นะสมมติว่าเราจะเปลี่ยนท่าเนี่ยมันก็ตั้งตั้งอยู่ในใจก่อนตั้งสติก่อนแล้วการเปลี่ยนเพราะนั้นนิสัมมะใช้นิสสัมมะกัลนังสยโยทุกทกทุกครั้งนะฮะไอ้ตัวนิสสัมมะได้เป็นชื่อของสตินั่นเอง มีสมา ร, ระนังไส้โยก่อนที่จะทําลงลงมือใครคนพิจารณาก่อนเหมือนว่าเราพยายามใช้การเคลื่อนไหวทั้งหมดเนี่ยจะถือว่าการเคลื่อนไหวทั้งหมดที่เป็นกระแสไหลเวียนของไตรลักษนณะ์การเคลื่อนไหวทางกายทั้งหมดถือว่าเป็นกระแสการหมุนเวียนเหมือนกับกระแสน้ำมันไหลตลอดเวลาจะเป็นกระแสเล็กกระแสน้อย กระแสะใหญ่ก็ต่างนะกระแสะใหญ่ก็ปิ่งวังยมนาคกันยืนกันเดินกันนั่งกันนอนยืนเดินนั่งนอนเป็นกระแสะใหญ่แต่ในกระแสะใหญ่นี่เปกระแสเล็กรวมๆกันกระแสะเล็กจ ะ, ะกหมายถึงตัวการเคลื่อนไหวในอิริบุเล็กคือสัมชัญญนธยากระแสะเล็กๆนี่น้อยนะเพราะฉะนั้นธรรมชาติของรูปธรรมนามธรรมดูลึกๆแล้วมันไม่ได้ต่างกันนะ มันแทบจะเป็นอย่างเดียวอย่างต้นไม้ก็ยังเป็นรากฝอยเนี่ยมันก็จะมีรากหลักไม่กี่รากอะ่ะใช่ไหมรากใหญ่ๆมั่งเน่ยนอกนั้นที่แยกตัวออกไปเนี่ยเป็นรากฝอยนะรากฝอยนี่ทําหน้าที่ที่ละเอียดเพื่อที่จะไปซึมซับรับธาตุดินอาหารไปสังเคราะห์ในส่วนใหญ่ก็จับดึงดูดเข้ามาในดีบทใหญ่เนี่ยมันเหมือนกับรากไม้ใหญ่ใหญ่ยีบยุตย่อยมันรากฝอย มันจะต้องซึมซับเข้าไปในในธาตุของกายดินน้ำลมไฟของเราเนี่ยนะเพราะฉะนั้นตัวเคลื่อนไหวเนี่ยมันก็เป็นพลังงานทําตามกระแสของมันนั่นแหละที่หมุนอยู่ในตัวเราตลอดเวลาตั้งแต่เฟื่องในสุดการหมุนเวียนของจิตของอารมณ์แล้วก็หมุนเวียนของเวทนาการหมุนเวียนของกายกายก็หมุนออกมาเป็นรอบของ ีย่อบทยืนเดินนั่งนอนทีนี้การเจริญสติสมิยะให้มีกําลังอยู่เสมอเนี่ยเพื่อที่จะตามตามตั้งแต่ดีบทใหญ่ใหญ่ไปสู่ดีบทเล็กเล็กและดีบทเล็กๆไปสู่เวทนาอีบทใหญ่ใหญ่คือตัวยืนเดินนั่งนอนเพราะฉะนั้นดีบทใหญ่เนี่ยยืนเดินกับนั่งเนี่ยเราใช้มากที่สุด ยืนกับนอนใช้เป็นโอกาสใช้ช่วงที่เป็นโอกาสจำเป็นเช่นการพักผ่อนการหลับนอนใช้ท่านนอนแล้วก็ถ้ายืนเช่นไปยืนเข้าเลี้ยงแถวยืนทำงานในเรืนี้นะปกติที่เราใช้ชีวิตธรรมดาก็ก็ยืนในส่วนที่จำเป็นแต่นั่งและเดินเนี่ยใช้มากดังนั้นถือว่ากระแสนั่งกับกระแสเดินเป็นกระแสหลักของของชีวิต ลองลงไปก็กระแสยืนกับกระแสนอนเนี่ยอันไหนมากกว่าก็แล้วแต่เฉลิ่ยนิสัยแต่ละคนถ้าคนขี้เกียจดว้วยนอนมากกว่าใช่ไหมถ้าคนขยันก็ยืนมากกว่าเพราะฉะนั้นการเจริญสติก็คือให้ความสําคัญต่อกระแสความเป็นจริงของชีวิตที่มีอยู่จริงเนี่ยไม่ได้ไปสร้างสรรค์อะไรขึ้นมา แต่ว่าเราเข้าไปเกี่ยวข้องมันอย่างไรเนี่ยตัวเนี้ยคือใช้หลักการของสติปัฏฐานเกี่ยวข้องในส่วนรีบทหลักยืนเดินนั่งนอนท่านให้รู้ชัดใช่ไหมตั้งแต่ขั้นตัวขั้นมีติประชานติที่ตัาที่ตรงมีประชานติให้รู้ชัดคำว่าประชานาติรู้ให้ชัดชัดคำว่ารู้ชัดกับตั้งใจเพ่งอนู่คนละ อ, อย่าง อย่างยองอุ้มที่โ ย, ยกมือเป็นกระแสเป็นสายช้าๆเนี่ยอันนี้ถือว่าแยากไม่ออกระหว่างเพ่งกับชัดชัดนี่มันอาจจะไวก็ได้แต่ไวแบบชัดๆไวแบบรับรู้ชัดๆเนี่ยแต่ว่าการเพ่งเนี่ยเสียว่าชัดก็ไม่ใช่แต่มันจะตกไปทางเพ่งแต่เพ่งนี่เป็นเรื่องของตัรหาประทานตรรกะและทิฏฐิละแต่ถ้าหากชัดเนี่ยมันเป็นเรื่องของสติสัมปชัญญะนะ สติสัมปชัญญะกับตัณหาทิฏฐิเนี่ยมันมีในยะที่ใกล้เคียงกันสติถ้ากำหนดไม่ดีเป็นตัณหาสัมปชัญญะกำหนดไม่ดีมันกลาไเป็นทิฏฐินะมันมีในยะตรงกันข้ามกันเพราะฉะนั้นเวลาเราตั้งใจตรงนี้จะแยกแยกระหว่างรู้ชัดกับรู้เพ่งนะ การเพ่งเพ่งคือเป็นเรื่องของตันหาและทิฏฐิแต่รู้ชัดเป็นเรื่องของสติสัมปชัญญะในการแยกเส้นแบ่งระหว่างสติสัมปชัญญะกับตันหาทิฏฐิตรงเนี้ยเราต้องแยกคายพอสมควรเราจะตัดสินได้ไงว่าอันนี้เป็นเพ่งอันนี้เป็นตัวสติสัมปชัญญะเพราะสติสัมปชัญญะมันมีอยู่ข้อหนึ่งบังคับอยู่คือสบายยะสัมปชัญญะใช่ไหมคือรู้ให้สบายรู้รุก จ, จริ ง, งแต่ถึงความผ่อนคลายและความสบายตัวนั้นมันมันมันติด ตัวนัยยะที่ตัวแยกอยู่คือรู้ให้สบา ย, ส, ะยะสัพยาสมชัญญะตัวนั้นแต่ในในตัวคําว่าสติเนี่ยมันไม่มีคํานี้นะแต่รู้ชัดแต่สัมะยาว่ารู้ให้สบายนะนะแต่พอไปตัวสมชัญยะใช้ชื่อว่าสัมปชานากาลีคําว่าสัมปชาญญากาลีทั่วพร้อมหมายถึ ง, ท, งทั้งกายทั้งใจรู้ชัดทั้งกายทั้งใจ แต่ว่าสติอนนี้นะรู้ ก, กายให้ชัดกายเวทนาให้ชัดสัมปชัะรู้จิตและอารมณ์ให้ชัดจึงใช้คําว่าสัมปชาญญะตะลีไม่ใช้สัมปชานาตินะฮะแต่พอไปถึงเรื่องอารมณ์และจิตท่านจะในส่วนลิบดบทที่เป็นย่อยลงไปละเอียดลงไปท่านให้ใช้คําว่าศึกษาเข้ามาแทนเข้ามาช่วยด้วยศึกษาสภากายะ ปฏิสังเวทีอาสัชสิสามิติสิกขติแต่ในช่วงต้นท่านใช้คําว่าโสสตัอาสัปสัตติโสสตัวที่คําว่าอาสัสตัวเทื อ, อาาสัออาาสามิติประชานาตินันการหายใจเข้าออกสั้นยาวแบบหยับหยาดท่านเชื่อประชานาติอยู่แต่พอไปรู้ทั้งหมดท่านใช้งท่านก็ศึกษานะ เราสร้างวาอาสัสนตัวเราสร้างอาสัสนิจิตปัญชานาติยังใช้ปัญชานาติอยู่แต่พอไปสภกายาปิสั้งเวทีอาสัสีสานติถีท่านใช้คําว่าสิกิติดังนั้นตัวนี้มันก็จะเห็นคือเราเราจะต้องโยงถึงรากเงาหลักฐานของเดิมของท่านด้วยไม่ใช่เรามั่วไปตามที่คิดแล้วจะตีความเนี่ก็ตีได้ไม่ใช่ไงนนี่คือความผิดพลาดของของอเจ้ารัตทีทั้งหลายคือตีความไปตามที่ถี่ของตัวเองแต่ว่าไม่ได้ยึดโยงกับไปตัวหลักว่า โดยหลักท่านว่าอย่างไรอันนี้คือข้อสำคัญนะแต่นั่นเองเราก็ส่วนหนึ่งที่เราต้องทำตามหลักก็คือว่าเราจะไม่ถ้าทำตามที่เถียงคนแล้วแต่มันจะพาเฉยไปตามที่เถียงหละซึ่งมันไม่เกิดประโยชน์นะมันเสียเวลาแต่นั่นเองถ้าหากว่าเราเปน็นนาปฏิบัติ welcome พูดไทยได้เปล่าด้ยนะ แต่นั่นเองเราก็วันนี้นะอยากจะไปดูความยุ่งใหญ่ของระหว่างยีบทใหญ่ยีบทย่อยและในตัวย่อยที่เป็นสติสมถัญะญแล้วก็ศึกษาคือรู้สึกตัวชัดรู้สึกตัวชัดทั้งกายทั้งใจรู้สึกกายชัด และชัดทั้งกายทั้งใจสัมพัญธ์ใช่ไหมแล้วดูแลส่วนย่อยลงไปเป็นสิขติที่เมื่อวานบอกให้ยุมเล็กว่าถ้าคุณจับลูกสนขึ้นมามันมีทั้งกีบเล็กกีบใหญ่เป็นละละละร้อยๆกูกีบเนี่ยนะถ้าดูผืนผืนดูเฉยเฉยเนี่ยแทบจะรู้ชัดไม่ได้ว่ามันมีจํานวนเท่าไหร่ใช่ไหมทั้งที่ตาดูชัดแล้วนะแต่นเนื่องจากว่ากีบมันไม่เท่ากันและขนาดมันก็ช่องไฟมันก็ ใกล้กันมากใช่ไหมเพราะฉะนั้นยากที่สายตาของเราจะไปแยกออกว่าเราจะนับสมมติมันมีร้อยอั น, น, นพรนับจริงจรมนันไม่ถึงร้อยอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นในขั้นการศึกษาสิกิติก็คือแยกส่วนเลยมีเอาลทีละชิ้นเลยแล้วมานับดูอันนี้เป๊ะเลยเหมอนเดิมอันนี้คือศึกษานะถ้าสติคือหมายความว่าดูดูข้างที่ตาเห็นนี่แหละถ้าสมมตย์หมุนดูทั้งหมดรอบแต่ถ้าสิกิติหมายถึงเอา ลูกศ น, นั้นมาบี่เอาเป็นชิ้นนี่คือความหมายที่เป็นลูกประธรรมนะดังนั้นการตามรู้ตรงนี้เอาเท่าที่อินทรีย์คือสติปัญญาของเราให้เท่าไหร่ก็ทำท่านั้นก่อนแต่ถ้าหากว่าทาไปมากกว่านั้นน่ะมันเกินกําลังเพราะเกินกําลังเราจะเครียดใช่ไหมแต่ทำไปรู้สึกสบายถ้ามันตึงขึ้นมาแสดงว่ามันเกินสบาย นะมันตั้งใจเกินไปก็ลดลงมาแต่บางคนอยากจะได้มากๆตรงนั้นมันไม่ใช่ตัวตัวส ป, ปะยะละมันก็จะเกินกำลังนะทำอะไรเกินกำลังก็ไม่ว่าทา ง, ทางรูปธรรมานามธรรมก็มีปัญหานะอย่างคนเป็นทุกนะข์เนี่ยก็ทำเกินกำลังกำลังเขามีร้อยหนึ่งเขาทำสองร้อยอย่างเงี้ยมันมันบูรณาการมูลดานธแต่วัตถุใช่ไหมั้าเงินเดือนร้อยหนึ่งจ 500, ่ายห้าร้อยก็ทุกข์อะ ถ้าต่ำกว่าร้อยหนึ่งโอเคไม่มีปัญหาร้อยจบพอดีก็เสี่ยงอยู่การเตรียมไว้เพื่อการฉุกเฉินไม่มีแล้วเงินเดือนร้อยหนึ่งใช้หมดร้อยนี่นะแต่ถ้าเงินเดือนร้อยหนึ่งเผื่อฉุกเฉินมันก็จะไม่เดือดร้อน น, ะนั้นลักษณะของการปฏิบัติก็เช่นเดียวกันในแง่ของนมามธรรมเนี่ยเราก็จะตามรู้ ชัดๆในส่วนต่างๆที่เราสัมผัสได้เนี่ยรูปธรรมนามธรรมนะตามหลักทเทรนรูปรูปนามรู้ล่งต้นมารู้รูปธรรมนามธรรมคือมารู้ว่าส่วนรูปมันทำงานเนี่ยที่เราสัมผัสได้อาการเป็นอย่างไรในรูปธรรมนามธรรมที่สัมผัสได้อาการเป็นอย่างไรในส่วนรูปธรรมที่ในแง่ของวิปัสสนา เป็นอย่างไรในแง่งของวิปัสนาลูปรูประธรรมมันไม่ใช่ขาตัวนี้เป็นลู่แต่อาการของขาที่มันหนักอาการนะพจนวิปัสนาต้องเอาที่อาการไม่ใช่เอาเอาตัวรุ่นตันตวแท่งของกายอันนี้แต่อาการของกายเขาตัวรุ่นตัวแท่งคนตายมันก็มีใช่ไหมแต่คนตายต่างตัวมันไม่มีอาการแต่เราผู้ปฏิบัติเนี่ยเราไม่จะเป็นตัวรุ่นเราแท่งตัวนี้แต่อาการของรุ่นแท่งนี้อากา ร, าการสแสดงเป็นยังไง อาการของรูปก็คือหนักและเบาใช่ไหมแล้วนามธรรมมีไหมนามธรรมอยู่ตรงไหนไเราเป็นผู้หนักผู้เบาหรือเราเห็นความหนักความเบาอ่ะดูตรงนั้นด้วยถ้าเราเป็นผู้หนักผู้เบาเรามีแต่รูปธรรมแต่เราเป็นผู้เห็นอาการหนักเบานั้นด้วยมีนามธรรมด้วย เห็นรูปทํนานำทํำจากรูปนทำทํนานําทำเนี่ยมันไปสู่อะไรรูปโรคนำโรคตามที่สู่ธรรมแล้ว น, นะเพราะกายทํางานมันถึงมีโรคโรคมันอะไรคือมันไม่สบายหนักนำทําเพราะมันนามันทํางานถ้าหากว่าหนักเป็นานเราชอบหรือไม่ชอบไม่ชอบเป็นนทำทําแล้วนะนทำทางาน เพราะนั้นพอนามทำงานแล้วแน่นมันจะออกมาเป็นรูปทุกนามทุกนี่สูตรของพ่อเทียนนะท่นานว่าดไปตรงๆเลยไม่มีอะไรซับซ้อนคือเห็นอาการตรงๆ ร, ร, รูปทุกนามทุกคือเพราะกายมันทํางานมันถึงเป็นทุกเพราะกฎของอะไรอหตุไตรลักษณ์นามทุกเพราะเราไม่รู้กฎของไตรลักษณ์มันก็ไปเป็นานามทุกแต่ถ้าเราไปรู้กฎไตรลักษณ์มันเป็นแต่ลูกทำแต่นามทำกลายเป็น นามล้วนๆนะอ่าดังนั้นการที่ไปเห็นรูปธรรมนามธรรมว่ามันทําหน้าที่ตามกฎของไตรลักษณ์แต่ถ้าเรามาเจริญสติสามารถเปลี่ยนรูปธรรมนามธรรมได้นะแต่ถ้าหากว่าไม่เจริญสติไม่พิจารวิปัสสให้ถูกลงรูปธรรมนามธรรมมันเกิดด้วยอํานาจของไตรลักษณ์เขินจิจงทุกขังหน้าตานะแต่ถ้าหากว่าเรา สามารถเห็นกฎตจลักของกายโดยที่ไม่ปล่อยให้ความทุกข์คือรูปทุกข์ไปแปลงเป็นนามทุกข์ได้เนี่ยจะต้องมาดูความเป็นอะไรปรมัดของมันคือรู้ว่านี่มันเป็นเพียงความรู้สึกนะมันไม่ใช่เราเพราะนั้นหลังจากที่รู้ตจลักเราก็จะไปรู้สมมติและประมัดอาการที่มันหนักมันเบาเนี่ยมันเป็นสมมติ แต่เราเป็นผู้รู้หนักรู้เบานั้นมันเป็นประมัดนี่หลวงพ่อเทียนจะเรียงไปตามมันนี้เลยรูปธรรมนามธรรมรูปทุกข์นาม ท, ทุกข์แต่นี่อี้คําลึ่งรูปโรคนามโลค ก, ก็คือรูปทุกข์นามทุกข์นั่นแหละแต่การที่เราเราไม่บําบัดแช่เอาไว้ทุกตัวนั้นกลายเป็นโรคเนี่ยหมายควาอาการดึงเป็นทุกข์ใช่ไหมดึงนานๆไปไต่อไปก็วิบากกามมาก็คือเส้นเสียเกิดการ ดึงการเน็บการชาบ่อยเข้าบ่อยเข้ากิกลายเป็นาขาดแข้งขาดขากลายเป็นวิบากแล้วนั้นรูปโรคนําโรคตามมาแล้วคำว่าโรคกับทุกข์มันต่างโรคเป็นต้นเหตุแต่ทุกข์เป็นโรคทุกข์เป็นต้นเหตุแต่โรคเป็นผลตามเป็นวิบากโอ้ผมเป็นโรคนั้นโลกนี้ใช่ไหมนั่นหมายความวิบากมันสั่งสมมานานแล้วมันกลายเป็นโรคแต่ถ้าไม่มีโรคคุณมีทุกข์กายมีทุกข์กายทุกใจอยู่ไม่มีโรคก็หมายครามว่าเออมันไม่ได้สั่งสมวิบาก ดังนั้นตัวนี้ก็สัมพันธ์กันอ น, นิีจังทุกขังนัตตาแต่มารู้ว่าอันนี้จังทุกขังนัตตาเนี่ยมันรู้แต่ในส่วนนั้นมันก็จะเป็นสมมติแต่เข้าไปรู้การรู้เท่าทันทุกขที่มันเกิดทั้งรูปทั้งนามก็ดีเนี่ยเราเริ่มศึกษาวิปัสนานะพอศึกษาวิปัสนาแล้วเราก็จะเห็นว่าอ้อรูปทุกเนี่ยมันเป็นสมมุติทุกคนเป็น วัตถุทุกอย่างเป็นกฎไปตามกฎนี่หมดเป็นสมมติใจตามกดนี้หมดเกินนิจังทุกขังหน้าตาแต่ถ้าหากว่านิจังทุกขังตัวนี้หน้าตาตัวนี้มันลุกลามไปถึงจิตด้วยเนี่ยมันก็ชีวิตนี้ก็จะชีวิตของคนก็จะไม่ได้ต่างกว่าสัตว์หรือไม่ได้ต่างกว่าสิ่งอื่นแล้วเป็นกฎอันเดียวกันแต่ชีวิตคนที่ไม่ได้ต่างกว่าสัตว์มันจะต้องสามารถแปลงกฎใจลักให้เป็นกฎของอะไรไตรสีขาได้ด้วย ก็คือมีสติสมาธิปัญญาหรือศีนึงเป็นปัญญาเข้ามาเกี่ยวข้องนั้นคือตั้งต้นที่สติโดยการตามรู้อาการของรูปของนามที่มันเป็นทุกข์ที่มันไม่สบายเนี่ยชัดๆแล้วก็ทั่วๆแล้วก็ศึกษา ว, วิจัยทั้ง3มอาการที่ว่าประชานาติสมาชาณกะรีและสิกติตัวนั้นก็จะเป็นไตรสิขาถ้ารู้ชัดๆเป็นศีล์ถ้ารู้ทั่วๆเป็นสมาธิถ้ารู้อย่างแยกแยะ เป็นสัดส่วนเป็นปัญญานั่นตรงนั้นมาจากตรงนั้นเพราะว่าศีลสมมติปัญญาเกิดมาจาก3ตัวนี้อาการที่เราพิจารณาทั้งที่เป็นสติสมัญญาและปัญญาเพราะนั้นเขาบอกสมัญญากับสัมมาสติไอสัมมาสมาธิมันเป็นเพราะสมาธิมันต่อใส่ปัญญาเพราะนั้นสมัญญาเป็นทั้งสัมมาสติและสัมมาปัญญาไปในตัวเสร็จนความเกี่ยวข้องความสัมพันธ์ระหว่างหลัก การที่ท่านพูดเอาไว้และคําสอนของพ่อเถียนมันสำคัญกันมากเลยเพราะฉะนั้นก่อนที่หลวงพ่อจะมารับวิธีการหลวงพ่อเห็นได้ไม่ใช่ง่ายเลยนะเพออะราะเราเป็นเคยปฏิบัติมาแ ก, ก่อนในสํานักใหญ่ๆเป็นมหาปริญ hmm. ยนอะไรที่ไอการที่จะรับถึงมันมีหลักการอะไรในแงยคําพูดเนี่ยมันจะต้องเทียบกันให้ลงตัวได้สัก่อนว่าอะไรเป็นอะไรไม่ใช่จะรับไปมั่วๆนะพอมันลงตัวอย่างนี้เราเต็มที่เลยทีเนี้ยเท่าไหร่ก็เท่ากันละ่ะ ที่นี่ในขั้นตอนการกระทํำของเราเนี่ยเาคำนึงถึงความถูกต้องอะเท่านั้นว่าเราถิงที่ท่านสอนไว้ถูกแล้วแต่เราทําถูกไหมนี่คือขึ้นอยู่กับสติปัญญาวาสนาบา ร, รมีของแต่ละคนละบางคนศติปัญญาดีแต่ว่าทําไม่ถูกมัานบอกวาสนาบา ร, รมีไม่พอนะบางคนวาสนาบา ร, รมีพอแต่ปัญญาศตีปัญญาไม่ดีก็ต้องใช้ความอดทน เราทำไปเรื่อยกจนเกิดสิปัญญามันจะเกิดนั้นบทเรียนในวันนี้ให้ไปดูความสัมพันธ์ระหว่างอิบุตรใหญ่ง่ายๆสมมติบทนั่งนี่นะเป็นอิบุตรใหญ่ใช่ไหมในบุใหญ่มีอิบุเล็กซ่อนอยู่เยอะไหมที่เราเห็นได้ชัดๆมีอะไรบ้างตอนนี้หายใจเข้าออกนี่อิบุตย่อยนะ โงกหน้าปด ย, ย่อยทิตายกมืออีบปว ย, ย่อยก็ไปตามรู้อันนี้อีบปใหญ่เนี่ยมันแสดงอาการชัดละคือหนักกระเบาใช่ไหมอีบปวดย่อยเนี่ยหายใจเข้าออกหนักเบาจากลมหายใจนี่ชัดไหมไม่ชัดนะถ้าเราไม่ตั้งใจรู้จริงๆนะพยภพตาขึ้นลงเนี่อรู้ชัดไหมนี่เราจะต้องไปไล่เลียงพวกนี้ดู อะไรเลี้ยงดูอาการย่อยเนี่ยอันไหนที่มันพอจะรู้ได้รู้ไปก่อนอแต่ถ้าหากว่าไปรู้ย่อยลักษณะอย่างเงี้ยมันก็จะกังวลไปดูอาการรวมรวมของมันในแง่วิปัสสนาอาการรวมรวมของอิบุย่อยทั้งหมดคืออะไรไม่ใช่ละอ่ะอะอาการเคลื่อนไหวใช่ไหมไปดูอาการเคลื่อนไหว แต่เคลื่อนไหวโดยรวมเนี่ยการเคลื่อนไหวมันจะต้องมีสองขณะคือการหยุดและการเคลื่อนใช่ไหเนี่ยการเหมือนยกมือหายใจเข้าหยุดแล้วก็หายใจออกปล่อยเคลื่อนออกมามันมีจังหวะอยุดนิดหนึ่งที่หยุดใช่ไหมครับแต่หยุดนิดหนึ่งแล้วก็ลืมมีอาการของในการเคลื่อนไหวมีการหยุดและการเคลื่อน และอาการหยุดการเคลื่อนผลออกมาเป็นอะไรความรู้สึกใช่ไหมความรู้สึกเป็น่างไงสบายและไม่สบายชอบและไม่ชอบนะเพราะฉะนั้นเราพยายามดูหลายๆตัวแต่พยายามหาจุดรวมมันให้ได้ถ้าหาจุดรวมไม่ได้มันก็ถือของงเราไปสมมติไปไปเก็บไอ ส้มอย่างงี้นะไปเก็บมะพร้าวมาเราเก็บมาร้อยลูกโดยที่ไม่มีตะกร้าใส่เลยเนี่ยเอามาไหวไหมไ ม, ไม่ไหวใช่ไหมเพราะงะั้นเราต้องมีตะกร้ามีถุงไปหิ้วมาง่ายกว่าฉันได้ก็ดีอาการทั้งหมดยิบุญย่อทั้งหมดในร่างกา ย, ยมีเป็นเลยร้อยอาการนะถ้าเราจะไปรู้บรรทุกทุกอาการพยายามทุกอาการไปไงไม่ไหวเกินเกินกําลังสติสมาธิเราก็ใช้ หายชนะก็ ค, คือดูอาการหลักของมันสังเกตอาการหลักของมันคือออกมาเป็นอาการของรูปอาการหลักของมันคือหนักและเบาอาการของนามอาการหลักของมันก็คือรู้สึกสบายและไม่สบายนะเพราะหลักแล้วดูรูปดูนามเพื่อดูอาการของรูปส่วนเคลื่อนไหวหยุดเคลื่อนบาง ในอาการหนักเนี่ยในการอิบุญใหญ่หรือย่อยมีลักษณะพิเศษของมันคือการหยุดและการเคลื่อนนะไอการไปรู้หยุดรู้เคลื่อนชัดๆนั่นแหละเราก็จะไปเห็นอาการของหนักและเบาสบายไม่สบายสมมติเรานั่งไปนานๆเนี่ยรู้สึกหนักใช่ไหมมันก็มีการเคลื่อนเกิดขึ้นพอหยุดนานๆเป็น ไ, ไงหยุดสมมตินหนึ่งดับดับนานๆก็เกิดทุกข์แล้วก็เกิดเกิด คือการเคลื่อนคือการเกิดใช่ไหมอ่าการเกิดขึ้นตัวดับที่มันเกินมันก็ถูกบาลานด้วยการเคลื่อนอสมมติการเคลื่อนเวลาเราเอาอกกำลังกายท่านหนึ่งที่จะยกขาขึ้นลงอะ่ะเคลื่อนตลอดนานๆนนไปไงหนักไหมหนักพอขึ้นเลยนี่พอเราหยุดปั๊บไปไงเบาผ่อนคลายเพราะฉะนั้นในอาการดอบเนี้ยมันจะบูรณาการไปทุกเรื่อง แต่ที่สภาวะนี่มันมีอยู่ปรากฏอยู่มันเป็นประโยชน์ต่อวิปัสสนาต่อเมื่อเราใส่ใจลงไปในสามาการอันไหนพอรู้ชัดได้รู้ให้ชัดชัดอันไหนพอรู้ทั่วรู้พร้อมทั้งกายทั้งใจได้รู้ทั้งสองอย่างอันไหนไม่ชัดหยุดดูก่อนหยุดนิดหนึ่งแล้วก็เข้าไปวิจัยมันไม่ใช่ของหลักของสิกขติดังนั้นเอง ถ้าเราจะเดินสติปัฏฐานสีได้ชัดเจนถูกต้องแล้วมันถึงเปลี่ยนเป็นพุทธชงเจดนี่ไงเพราะสติที่ไปอันนั้นก็กลายเป็นสติในสติปัฏฐานกลายเป็นสติสัมพมุทธชงส่วนในตัวของเวทนาและตัวจิตมันเป็นทํางานร่วมกันเป็นธรรมวิจยนะแต่ในส่วนจิตและอารมณ์เชื่อมกันตั้งแต่ วิยะไปจนถึงปยขาทำงานร่วมกันนั่นคือหลักการมั น, ม, นมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นเวลาเราเวลาภากปฏิบัติเราก็มาทาโดยอาการเห็นทั้งอาการในส่วนย่อยคืออนุพยัญชนะเห็นทั้งอาการในส่วนรวมคืออัฏฐะทั้งอัฏฐะคือในส่วนที่เป็นรวมและทั้งพยัญชนะในส่วนที่เป็นย่อยออกไนะ <c oughs> ในส่วนที่เป็นสมมติคือส่วนที่เป็นอาการย่อยทั้งหมดในโลกเนี่ยทุกอย่างเป็นสมมติใช่ไหมเพราะอาการรวมบรรยาการของปรมัดคือรวมเหลือแต่ทุกอย่างในโลกที่ปรากฏขึ้นมาได้เรารู้ว่าทุกอย่างในโลกมีอยู่ด้วยผ่านความอะไรความรู้สึกกายและความรู้สึกใจแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีการรับรู้ สิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันมีอยู่ถ้าการรับรู้เราไม่มีมันมีความหมายต่อเราไหมไม่มีมันก็มีของมันอยู่นั้นวัตถุปรามวัตอาการเป็นวัตถุปรามัตก็มีอยู่อาการก็มีอยู่ในนั้นปรามัตคือภาวะที่มันเป็นหนึ่งของความรู้สึกที่เราสัมผัสได้วัตถุคือมันสิ่งอย่างมีอยู่ในโลกเนี่าอะไรก็ตามที่เป็นวัตถุแล้วมันมีอาการคือการมากระทบ กับอวัยแตานนะทั้งหมดของเราคืออาการแล้วกเกิดเป็นปรมัตคือมันมีตัวรู้อยู่เพราะนั้นคาสรุปคำสอนของเรียนคือวัตถุปรมัตอาการง่ายเข้ามาแล้วก็จะมาสมมุติว่าศีลสุสธิปัญญาก็ได้แต่เป็นภาษาของท่านะฉะนั้นการเคลื่อนไหวทั้งหมดจึงกล่าวว่าเป็นกระแสกระแสหลักของใจรักมันการเคลื่อนลื่นไหลของ รูปธรรมทั้งหมดนะและก็กฎของตรรลักษณ์นี่เองเราก็สามารถใช้มันเป็นเครื่องมือในการแปลเปลี่ยนในส่วนรูปที่เป็นสมมุติเนี่ยให้เป็นปรมัิได้โดยอาศัยการใช้สติสัมปชัญญะเพราะฉะนั้นการฝึกสติมีัยอะเรื่องฝึกมาก เหมือนการทํางานของโรงงานมันทํางานลันตลอดเวลาโรงงานเนี่ยเพื่อแปลวัตถุดิบให้เป็นวัตถุที่ใช้ได้ใช่ไหมคุณไปดูโรงน้ําตาลนะฮะมันผลิตตลอดนะมันปิดไม่กี่เดือนนะแต่วัตถุดิบทั้งหลายนี่มาจากทั่วแผทั่วไร่ทั่วนาที่เขาปลูกนะันเหมือนกันไอ้สิ่งที่เป็นวัตถุดิบทั้งหลายเนี่ยก็คืออาการริบบทใหญ่หริบบทย่อยทั้งหลายที่มันมากระทบที่เกิดขึ้นนะ และสิ่งที่รูปเสียงคิดรู้สัมผัสที่มากระทบนี่เป็นวัตถุดิบทั้งหมดที่ไหลเข้ามาสู่อายันาของเราอายัดนาทั้งหกนี่ก็เป็นเหมือนกับช่องรับวัตถุดิบเข้ามาแล้วก็มาสู่โรงงานคือจิตพอจิตของเราได้ติดตั้งสิริชั้นยะเอาไว้มันก็ผลิตออกมาผลิตออกมาจากวัตถุดิบกายมาเป็นวัตถุที่ต้องการะมันจะเป็นอะไรก็ตามแหละ นั่นถหากว่าจิตของเราระบบที่เป็นโรงงานถ้าไม่ได้ติดตั้งเครื่องจักรที่ถูกต้องคือไตรลักษณ์เนี่ยสิ่งที่ออกมาไม่ได้ตามต้องการไหมการที่ไม่ได้ตามต้องการไม่ได้เราเรียกว่ามันใช่ไม่ได้เป็นอนัตตาเป็น ไ, ไปตามควบคุมให้ตามต้องการแต่ถ้าเราสามารถเออใส่เหล่านี้เข้าไปผลมันออกมาอย่างนี้นะนั่นหมายความว่าจะต้องมีการอ่า ศึกษาอย่างละเอียดทีเดียวเพราะนั้นตรงนี้เราถึงจรว่ดไ ต, ตรสีขาจากสีลสีขาสมาธิจิตสีขาปัญญาสีขาเป็นอาทิขึ้นมาเลยอาทิศีลสีขาอาทิจิตสีขาอาทิปัญญาสีขานั่นหมายความว่าต้องศึกษาในส่วนละเอียดลึกลงไปในแง่ของจิต นั้นในเวลาในภาคปฏิบัติในวันนี้ลงไปลาดับดูว่าเราก็าใช้ไปปกติของเรายืนเดินนั่งนอนมาทุกปกติชีวิตของเราอยู่แล้วอีบทด้ยอยการเคลื่อนไหวก็มีปกติอยู่แล้วแต่ใส่ใจลงไปอีกนิดหนึ่งใส่การสังเกตชัดลงไปอีกนิดหนึ่งถี่ขึ้นอีกนิดหนึ่งนี่คือการศึกษาเพราะนั้นรวมทั้งสามคำทั้งว่า ภานติก็ดีสัมภาชนะ ก, ก็ดีศึกษาก็ดีเอามารวมคำคำเดียวว่าสังเกตง่ายเข้าใจใช่ไหมสังเกตสังเกตกายเคลื่อนไหวสังเกตใจที่มันคิดนึกพอสังเกตไปสังเกตมาความละเอียดในการสังเกตก็จะเพิ่มน้ําหนักขึ้นเรื่อยๆเพิ่มรายละเอียดมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากเมื่อก่อนเราสังเกตแบบผิวเผนะินอะใช่ไหมดูไป แต่ถ้าสังเกตให้ถูกคือดูสีนั้นให้ชัดถ้าชัดแล้วเนี่ยชัดแบบไหนเนอ่ยตรงนี้มันจะเข้าสู่คำว่าเห็นชัดชัดคือเห็นซื่อฟังชัดชัดคือฟังซื่อรู้ซื่อรู้ซื่อเห็นซื่อชัดมันมาเข้าหลักได้ว่าเห็นสัตวแต่ว่าเห็นได้ยินสัตว์แต่ว่าได้ยินรู้สัตวแต่ว่ารู้ ตรงนั้นปรญหยัดความเาว่ารู้ซื่อมันมาอยู่จุดเนี้ยแต่ว่าเห็นชัดมันได้ไปไปเขาวิจัยจนกระทั่งว่ามันฟุงงซ่านไม่ใช่เงี้ยนะชัดคือคือรู้มันตรงๆรอ่ะดูเข้าไปกายก็ดูมันตรงๆแต่มันเห็นนะแต่ว่าสิ่งที่ดูกับผู้ดูเนี่ยมันจะต้องแมทกันแมทกันยังไงถ้าเราดู น้ำนะะถ้าน้ำที่เราดูมันขุนเราก็จะไม่เห็นอะไรขั้นใต้น้ําว่ามันลึกแค่ไหนตื้นแค่ไหนเราจะลงไปแล้วสักสงสัยไม่กล้าลงมาใช่ไหมเพราะไม่รู้อะไรอยู่ในนั้นว่างลึกแค่ไหนตื้นแค่ไหนเพราะเราไม่รู้ตรงนั้นมาก่อนและน้ำต้องไม่กระเพิ่มด้วยยิ่งน้ํากระเพิ่มก็ยิ่งก็ยิ่งยากใหญ่เลยมันจะไม่เห็นอะไรเลย นั้นหน้าที่ของเราคือที่ดูให้มันชื้นๆกันหนึปรับให้น้ําไม่กระเพื่อมก่อนได้ไหมสองเมื่อน้ํามันนิ่งแล้วทําไงให้มันใสอือตัวนี้คือขอบวนการทําผิวน้ําให้นิ่งเป็นสมถะทําน้ําให้ใสเป็นวิปัสนานีมันมันสัมพันธ์กันตรงนั้น ถ้าสมถะเป็นความหมายอื่นนิ่งเพื่อความหมายอื่นนิ่งไม่ใช่เพื่อที่จะต้องการให้ให้น้ำเนี่ยมันตกตะกอนะมานิ่งอย่างนี้ก็ไม่มีความหมายในแง่ของพุทธธรรมนะแต่นิ่งเพื่อที่จะจัดการเอาอะไรเอาสารส้มมาแก่แกให้มันน้ำตกตะกอนนั้นการปรับจิตให้นิ่งเนี่ยเป็นสมถะเราทาได้ตลอดเวลาใช่ เพราะนั้นทั้งสมถะและวิปัสนาต้องปฏิบัติไปด้วยกันไม่ใช่แยกกันทำถ้านิ่งเกินไปเป็นไงมันก็จะลืมไม่ได้ทำให้น้ำใสดีนิ่งพอปรับน้ำให้มันใสดได้นิ่งเราเดินก็มีการหยุดเราเดินการเคลื่อนไหวเนี่ยก็เหมือนกันน้ำมันไม่นิ่งใช่ไหม เพราะนั้นในแง่ของกายเนี่ยมันนิ่งไม่ได้นะในของกายเนี่ยมันนิ่งไม่ได้เพราะมันไปตามลมของอะไรใจรักใช่ัหมตามอาการของแต่ละมันก็เคลื่อนไหวตลอดเวลาแต่ใจเนี่ยทำให้นิ่งได้กายเนี่ยมันก็จะต้องเคลื่อนไหวไปตามเหตุปัจจัยบางครั้งก็นิ่งได้บางครั้งก็นิ่งแล้วแต่เหตุปัจจัยมันจะพาไปนะลักษณะนิ่งแล้วก็นิ่งอย่างรู้ตัว ลักษณะเคลื่อนก็เคลื่อนอย่างรู้ตัวเพราะนั้นจิตของเราที่เข้าไปรู้อาการเคลื่อนอาการหยุดอาการนิ่งอาการไหวอย่างชัดๆัดไว้เสมอเนี่ยแต่เราไม่พยายามที่จะให้มันไอสิ่งที่ควรจะไหวมันไม่ไหวควรจะเคลื่อนไม่ไม่เคลื่อคนควรจะนิ่งไม่นิ่งลักษณะ น, นี้ไม่ถูกละสับสนล ะ, ะมันสมควรเคลื่อนก็ต้องเคลื่อนสมควรนิ่งก็ต้องนิ่งแต่นิ่งให้รู้ว่านิ่ง เคลื่อนให้รู้ว่าเคลื่นชัดๆเท่านั้นเองตัวนั้นเป็นตัวรีไฟล์ละตัวทำให้น้ำขุ่นเรื่อยกาเป็นน้ำใสโดยอาศัยลูกเป็นเครื่องกรองโดยอาศัยรลูกเป็นเครื่องกรองอจิตของเราที่มันมันมันมันเคลื่อนไหวเหมือนเป็นคลื่อนอยู่ตลอดเนี่ยพอมาอาศัยหลักของลูกที่มันเสถียรกว่า มันก็จะกลองได้ดีฝ่าจิตก็จะเริ่มนิ่งไปด้วยโดยอาศัยกายซึ่งมันสัมผัสได้มันเสถียรแต่จิตมันเป็นลักษณะไหลลื่นได้เร็วเพราะจิตที่เป็นผลพวงของการขยายตัวของธาตุจากธาตุดินแปลงเป็นธาตุน้าจากธาตุน้าขยายตัวเป็นธาตุลมจากธาตุลมขยายตัวเป็นธาตุไฟจากธาตุไฟขยายเป็นอากาศจากธาตุอากาศขยายเป็นวิญญาณ มันขยายจากหยาบที่สุดไปหาละเอียดที่สุดนะเหมือนกับขยายจากมะพร้าวให้เป็นน้ํามันอะใช่ไหมมีขบวนการต่อต่อต่อไปเฉพาะมะพร้าวเนะี่ยไปทําน้ํามันได้ไมั้ยก็ได้แต่คุณต้องใส่ขบวนการแล้วน้ำมันมะพร้าวตัวนี้เอาไปจุดเป็นแสงสว่างได้ไหมได้ถ้าหาพบดกันเป็นน้ํามันได้แต่จะเอากะทิไปจุดเป็นไฟได้ไหมไม่ยังไม่ได้เพราะขบวนการยังไม่สมบูรณ์เห็นไหม เพราะนั้นการดูธาตุสี่ลักษณะที่การขยายตัวธาตุดินเนี่ยอาการหนักใช่ไหมอาการหนักแต่พอเราขยับหนักเนี่ยให้เป็นเบาการทํางานของท่านอะไรท่านลมก่อนเลยท่าลมแล้วก็ะทันน้ําคือการไหลเวียนของอากาศกับเลือดข้างในทําให้เกิดอาการเบาอ่ แล้วก็การขับเคลื่อนทั้งหมดที่มันไหลเวียนได้เพราะอาการของธาตุไฟคือโรงงานอะถ้าไม่มีไม่เปิดไฟเข้าไปเนี่ยมันรั่นไหมไม่การหมุนเวียนทั้งหมดในร่างกายของเราเพราะธาตุไฟเหมือนกับไอตัวมอนิเตอร์นะมันจะลันเองไม่ได้เพราะนั้นเวลาคนจะตายเนี่ยธาตุอะไมันดับก่อนอธาตุาไฟดับก่อนพอธาตุไฟดับธาตุลม ดับท่านน้าดับแล้วก็ท่านดินก็ดับถ้ารู้ดับตอนไหนอันไหนดับก่อนระหว่างดินน้ําลมไฟอากาศวิญญาณมันไอส่วนละเอียดเนี่ยจะดับก่อนดับตามเราได้ส่วนหยาวจะดับทีหลังนะเพราะฉะนั้นเองก็ลักษณะอาการเหล่านี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็ดูอาการเกิดดับ จากการเคลื่อนกันหยุดที่หยับๆยานี่ก่อนการเคลื่อนเป็นอาการของการเกิดการหยุดเป็นอาการของการดับการนิ่งเป็นอาการของการเกิดการเคลื่อนเป็นอาการของการดับบางครั้งเท่าะในแง่ของวัตถุในแง่ของรูปมันสลับกันได้อย่างที่ว่าเมื่อกี้